ในวาระสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จดับขันธ์ปรปนิพานไปพระองค์ได้ส่งประทานพระปัชิมโมวาทที่เป็นคำสอนที่เตือนสติให้พุทธศาสนิกชนไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท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 ในเวลาไม่นานประโยชน์ตนที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติก่อนที่จะปฏิบัติประโยชน์ของผู้อื่นก็คือทรงปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุถึงพราณ น, นิพพานการที่จะทรง บรรลุถึงพระนิพพานได้สรงต้องปฏิบัติภารกิจในอริยสัจสี่ที่มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งทุกข์ต้องกำหนดรู้สองสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์ต้องละ สามนิโรธความดับของทุก์ต้องทำให้แจ้งสี่มักการปฏิบัติเพื่อการดับความทุก์ต้องเจริญให้มากต้องเจริญให้สมบูรณ์นี่คือภารกิจสี่ประการ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 ผู้ปฏิบัตินี้ไม่ว่าจะพยายามมากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ยกเว้นพระโพธิสัตว์พระองค์เดียวคือผู้ที่จะตัดสรุวได้ด้วยตนเองเช่นเจ้าชายสิ ท, ทธัตถะสัมมณะโคโดมนี้เป็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ที่สามารถที่จะค้นคว้าหาทางไปสู่พระนิพพานได้ด้วยพระองค์เองผู้ืนนี้ต้องรอให้พระพุทธเจ้าตัดสรู้ก่อนแล้วนำเอาทำความรู้อันวิเศษที่พระองค์ได้ส่งค้นพบคือภารกิจในพระอริยสัจสี่นี้มาเผยแผ่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 มาเป็นสมบัติของเราอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความไม่ประมาทอยู่ที่ความเพียรความไม่ประมาทเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเราลำลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเราเลึกถึงความไม่แน่นอนของสังขารร่างกายว่าชีวิตของเรานี้มันจะหมดไปเมื่อไหอไร่ก็ไม่มีใครรู้ อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเกิดขึ้นได้กับทุกทุกคนเกิดขึ้นกับเราได้เราอาจจะตายในวันนี้ก็ได้หรือตายในวันพรุ่นี้ก็ได้ถ้าเราไม่รีบทําเสียตั้งแต่บัดนี้พอเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรกระฐันหันขึ้นมาโอกาสอันเลิศอันประเสริฐนี้ก็จะหมดไป ดังนั้นเราจึงควรมาปฏิบัติภารกิจทั้งสี่ประการในพระอริยสัจสีน่นี้ทุก็คือความไม่สบายใจที่เกิดจากการไปรับรู้สิ่งต่างๆที่ไม่ชอบใจเช่น ไปรับรู้กับเรื่องของความแก่เรื่องของความเจ็บเรื่องของความตายเรื่องของการพัดภากจากสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราชอบต้นเหตุของความทุกข์ใจนี้เกิดจากสมุทยัยคือความอยากเช่อนอยากจะไม่แก่อยากจะไม่เจ็บ อยากจะไม่ตายเวลาเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายใจก็จะทุกข์ขึ้นมาเวลาคิดถึงความแก่เราไม่สบายใจทุกข์ใจคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตายเราจะไม่สบายใจเพียงแต่คิดเท่านั้นก็ไม่สบายใจแล้ว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 ทุกให้กำหนดรู้ก็คือให้รู้อยู่ว่าทุกขก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพัดพราจากการจะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและความทุกข์ใจนี้ก็เกิดจากความอยากของใจที่ไม่อยากจะให้แก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย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 ทำไปก็จะไม่ดับความทุกข์ได้เพราะความทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากที่จะต้องใช้มรกเท่านั้นถึงสามารถที่จะละตัณหาได้หยุดตัณหาได้ดับความทุกข์ใจได้ทานิโรธให้แจ้งได้นิโรธจะแจ้งได้ก็ต้องอาศัยมรรค มักก็คือทานศีลภาวนานี่เองการทำบุญทำทานอย่างต่อเนื่องการรักษาศีลให้บริสุทธิ์และการภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่แหละที่จะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการละตัณหาทำให้นิโรธปรากฏขึ้นมา มรกนี่แหละเป็นผู้กําหนดรู้ทุกก็คือสติปัญญาซ่องคอยเจริญมรณาโนสติอยู่เรื่อยๆพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆพิจารณาตายลักษณคืออนิจจงทุกขังอนัตตายอยู่เรื่อยๆถ้ามรคือสติปัญญาได้พิจารณาอย่างเนื่องเนืองอย่างต่อเนื่องใจก็จะ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 หรือถ้าในเรื่องของกามารมทุกข์เพราะการมารมก็ต้องพิจารณาอสุภะคือความไม่น่าดูของร่างกายความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อที่จะได้ดับกามารมได้การมารมนี้ก็เป็นผู้ที่สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเกิดการมารมก็ใจก็จะหงดุดหงิดใจจะไม่มีความสุขจนกว่าจะได้เสพ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 หลุดพ้นจากกองทุกได้เลยเพราะไม่รู้ว่าความทุกข์ของตนนั้นเกิดจากความอยากของตนเองและไม่รู้ว่าเครื่องมือที่จะดับความทุกข์นี้ก็เกิดจากการเจริญมรรคที่มีอยู่ในตนเองนี่นี่คือภารกิจส่วนตนที่ผู้ปฏิบัติต้องทําก่อน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 พระภิกษุสัมเณรตอนดึกก็ทรงสอนธรรมให้แก่เทวดาและตอนเช้าก่อนที่จะทรงเสด็จออกบินทบาททรงเล็งยามดูว่าควรที่จะไปสอนธรรมะ ใ, ให้แก่ผู้ใดดีในวันนั้นผู้ที่มีความพร้อมที่จะรับและบรรลุ ธ, ธรรมแล้วก็ทรงออกบินทบาท นี่คือภารกิจที่ได้ทรงกระทาหลังจากที่ได้ตัดสรุเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงบำเพ็ญภารกิจนี้ถึง45ปีด้วยกันส่วนภารกิจของพระองค์เองนี่ทรงใช้เวลา6ปีตั้งแต่วันที่เสด็จออกบวชจนถึงวันที่ได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้า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 จากพุทธศาสนิกชนทรงปรารถนาให้พุทธศาสนิกชนนี้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะจะทำให้ได้รับประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเองตัวพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องการประโยชน์อะไรจากใครแล้วเพรา ะ, ะทรงมีประโยชน์เต็มเปี่ยมอยู่ในพระทัยแล้ว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 แสดงความจงรักภักดีแสดงความกตัญญูกตวเวทีแสดงความรักความเคารพต่อพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็ขอให้เราแสดงด้วยการปฏิบัติบูบชานี่การปฏิบัติบูชาก็คือการเจริญมรรคให้สมบูรณ์นี่ถ้าเรามีมรรคแล้วเราก็จะมีเครื่องมือที่จะกําหนดดูทุกข์ได้ มีเครื่องมือที่จะละตัณหาได้มีเครื่องมือที่จะทำนิโรธให้แจ้งได้ทั้งหมดนี้อยู่ที่การเจริญมรรคก็คือการเจริญทานศีลภาวนานี้เองอย่างที่พวกเราได้มาทำกันอย่างต่อเนื่องเราต้องทำให้มากขึ้นไปตามลำดำับจนกว่าทานจะสมบูรณ์จนกว่าศีลจะสมบูรณ์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 เรามีอะไรเราสงเคราะห์ให้แก่ผู้อื่นไปใจของเราก็จะมีความเมตตามไม่คิดไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นทำให้การรักษาศีนมีเป็นไปอย่างง่ายดายใจที่มีศีนก็เป็นใจที่จะสงบในระดับหนึ่งต่างกับใจที่ไม่มีศีนจะมีความวิตกกังวลวุ่นวายเกี่ยวกับ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 จากการอยู่ในสมาธินั้นแล้วจะทาให้สามารถต่อสู้กับตันหาความอยากที่จะคอยดึงให้ใจออกจากที่ปีกวิเวกให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดเถร่ให้ไปหาบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ถ้าใจมีความสุขจากความสงบแล้วจะไม่อยากไป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 ไว่ต่อสู้กับตัณหาต่างๆที่คอยออกมารุมเร้าจิตใจอยู่ตลอดเวลาสติกับสมาธินี้จะช่วยได้ในระดับหนึ่งถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดตัณหาความอยากต่างๆก็จะออกมาได้ยากถ้าจิตได้สมาธิได้ัความสงบจิตก็จะมีความสุขมีความพอ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 วิปัสนาภาวนาหรือปัญญานี้พิจนาไตรักเท่านั้นพิจนาอสุภะถึงจะสามารถที่จะต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างๆได้เช่นกามตันหาความอยากในกามอารมณ์ต่างๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพะรูปก็รูปของทาหญิงที่ชอบชายก็จะก็ต้องทำลายรูปของผู้ชาย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 ก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้ถึงภารกิจในพระ อ, อริยสัจสีนี้เมื่อเรียนรู้แล้วสิ่งที่ต้องกระทำต่อไปก็ต้องทำก็ต้องปฏิบัติเท่านั้นต้องกำหนดทุกกำหนดทุกด์ดยอะไรก็ต้องกำหนดทุกด์ดยมรรคก็คือสติปัญญาต้องเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดา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 ใส่รักนี่เองพิจารณาให้เห็นใจรักแล้วก็จะละปัญหาได้ทำนิโรธให้แจ้งได้คือการดับทุกข์คือการสิ้นดับของความทุกข์จะปรากฏขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีมักว่าทำลายสมุทยัยคือความอยากต่างๆมีมักเท่านั้นที่จะทำลายสมุทัยได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำลายสมุทัยได้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 พาอไม่ดับทุก์แต่เพิ่มความทุกเพิ่มสมุทัยขึ้นมาเหมือนแทนที่จะดึงเอาเอาฟือนออกจากกองไฟกับโยนฟืนเพิ่มเข้าไปให้มากขึ้นฟืนก็คือตันหาความอยากต่างๆนี้เองไฟลุกขึ้นมาได้ก็พ่อมีฟืนถ้าไม่มีฟืนไฟก็จะต้องดับไปเพราะฉะนั้นถ้าต้องการดับไฟก็ต้องดึงฟือนออกอย่าอย่าโยนฟืนใส่เข้าไปในกองไฟ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 ละสิ่งเหล่านี้ตัดสิ่งเหล่านี้ไปให้หมดให้ได้เท่านั้นถึงจะละตัณหาได้ละลาภให้ได้ละยศให้ได้สละยศให้ได้สละทรัพย์ให้ได้สละลาภให้ได้สละสรรเสริญให้ได้สละความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายให้ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ท่งสละองค์ส่งสละลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็ไปอยู่บําเพ็ญในป่าไม่มีความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย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 สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสพีติโยวิวาจันตุสัพพารโคลเวนสตุมาเตภวตวันตราโยสุข ok ีธีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโน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 ถ้าไม่มีก็ขอเชิญถามจากทางบ้านก่อนต่อไปเป็นคำถามจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะคำถามแรกจากคณนุทิชัยทารบุตรข้อที่หนึ่งกระผมเคยนั่งภาวนาไปจนถึงลมหายใจเข้าออกไม่มีมีแต่พุโทโธและจิตดิ่งลงรวมเป็นเอ ก, กขคตาลมรู้เฉยร่างกายไม่มี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 กับผมชอบนิมิตรู้เหตุการ์ล่วงหน้าและหลวงปู่คูบาอาจารย์ท่านเมตตามาหาอย่างองค์หลวงตามหาบัวหลวงปู่อูไทยและพระอาริยสงฆ์อรหันสายหลวงปู่ม่านหลายองค์ครับท่านมาสอนทมบ้างมาเมตตาในนิมิตแสดงว่าจิตเหล่านี้มีสมาธิระดับไหนครับ และกลับผมจะหาอุบายธทมใดมาสอนใจตนเพื่อตามรอยธรรมองค์หลวงปู่คูบาอาจารย์เพราะกับผมยังไม่ค่อยฉลาดเลยครับก็ถ้าท่านมาสอนก็ตัง้งใจฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติตามที่ท่านสอนก็เหมือนกับไปพบกับท่านโดยตรงการที่ท่านมาผ่านทางนิมิตก็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 หรืออยู่ในฝันหรืออยู่ในสมาธิก็เหมือนกันคือประเด็นสําคัญก็คืออยู่ที่คําสอนนี่เองว่าเราจะน้อมเอามาจดจําและนําอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลได้หรือเปล่าให้เอาตรงนี้อย่าไปสนใจว่าเป็นใครเป็นมาแบบไหนเป็นสมาธิแบบไหนไม่สําคัญบางทีนอนหลับฝันก็อาจจะมี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 คือข้อความทั้นั้นที่เป็นตัวสาคัญขอให้เราอย่าไปหลงประเด็นและอย่าไปคิดว่าเราวิเศษจากการที่มีครูบาอาจารย์ท่านมาแซมาสอนเพราะว่าเราจะวิเศษก็ต่อเมื่อเราดับกิเลสตัณหาได้ทั้นั้นเราละดับความทุกข์ได้ทั้งนั้ น, ค, น, นคำถามต่อไปจากคุณอัดพงการกำหนดสติในชีวิตประจำวันนั้นทำอย่างไรครับ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 อย่าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจ้อคิดคิดเพ้อฝันคิดแบบไม่มีขอบไม่มีเขตคิดแล้วก็สร้างความฟุ้งร้างสร้างความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าเราสามารถควบคุมคิดความคิดเหล่านี้ได้ใจเราจะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้คาถามต่อไปจากคุณโบพงศกรการภาวนาพุทโธ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 เพราะว่าถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ไม่สามารถมาฟังเทศฟังธรรมอย่างที่เรากระทำกันอยู่ในขณะนี้ได้เราต้องมีร่างกายเงนั้นการที่เราฆ่าร่างกายของเราซึ่งเป็นของที่เรารักมากที่สุดมีคุณค่ามีคุณประโยชน์กับเรามากที่สุดก็เลยถือว่าเป็นหนักบาปที่หนักเป็นบาปที่หนักเพราะว่ามันจะติดเป็นิสัยไปด้วย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 ท่านถึงมีคำพูดไว้ว่าค่าตัวตายแล้วจะต้องไปฆ่าตัวตายอีก้าร้อยชาติต่อไปเป็นคำถามจากมีผู้ฝากถามนะคะข้อที่หนึ่งต้องเพียนขนาดไหนถึงจะบรรลุธรรมคะก็ <c oughs> ตั้งแต่ตื่นจนหลับนะ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 จิตของพระอริยะแตล่ละขั้นนี้ไม่เสื่อมจากขั้นที่ท่านได้บรรลุพระโสดาบันก็จะไม่เสื่อมจากเป็นการเป็นโสดาบันพระสกิรดาคามีก็จะไม่เสื่อมจากการเป็นพระสกิรดาคามีพระอนาคามีก็จะไม่เสเาาื่อาาาจมจากการเป็นพระอนาคามีพระอรหันต์ก็จะไม่เสื่อมจากการเป็นพระอรหันต์ข้อที่สามสุขในญาณกับสุขในความสงบ เหมือนหรือต่างกันตรงไหนคะคือสุขในยานนี้มันไม่มีเ้าเรียกสุขในฌานฌานก็คือความสงบนี่เองถ้ายานนี้เป็นความรู้ก็จะเรียกว่าเป็นความสุขอีกแบบก็ได้ความรู้ที่ทําให้เราดับความทุกข์ได้นั่นเองก็คือยานเ้าเรียกอาสวะขยักกยานอาสวะขยักกยานยานที่ อย่างรู้ว่าไม่มีอาสวะไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในใจเราแล้ ว, ล, วละกิเลสตัณหาได้แล้วพอละได้แล้วความทุกข์ก็ดับไปความสุขก็กลับคืนมาข้อที่สี่คำว่ามีดวงตาเห็นธรรมมีความหมายอย่างไรเป็นโสดาปฏิผลหรือเป็นโสดาปฏิมาคะ การเห็นธรรมนี้ก็มีเห็นได้สี่ขั้นขั้นโสดาบันก็มีขั้นสกิราคามีก็มีขั้นอนาคามีก็มีขั้นอรหันต์ก็มีสิ่งที่เห็นก็คืออริยสัจสีในแต่ละขั้นที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าสมุทัยคือตันหาของแต่ละขั้นไม่เหมือนกันคาถามข้อที่ห้าข้อสุดท้ายบุคคลอื่นไปทาบุญมา แล้วเขาบอกว่าเอาบุญมาฝากแล้วเราพูดว่าอนุโมทนาสาธุขอถามว่าเราจะได้บุญด้วยไหมคะถ้าได้แล้วได้อย่างไรคะบุญที่เขาทานี้เราไม่ได้เพราะบุญของใครเป็นของมันแต่เราจะได้ก็คือที่เราร่วงมนุษโมทนาคือชื่นชมยินดีไปกับการทาบุญของเขาทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจตามเขาไปด้วย อันนี้ก็เป็นบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาแต่ไม่ใช่เป็นบุญที่ได้จากการทําทานถ้าอยากจะได้บุญจากการทําทานและอา น, นิสงส์ของการทําทานเราก็ต้องทําทานเองถึงจะได้ <Okay. S 1> การร่วมมนออมุนเอาอนุโมทนาบุญนี้ไม่ได้ทำให้เรามีทานบารมีตายไปชาติหน้าเราก็ยังเป็นขอทานอยู่ <c oughs> เพราะเราไม่ได้ทําทาน <c oughs>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 ใช่ น, นั้นนี้ถามได้นะไม่มีเหอไม่มีก็จะปล่อยให้กลับบ้าน้วนะต่างงี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด